พระธรรมเทศนาเรื่องกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพระมหาประนอมธรรมมาลังกาโรในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเรื่องในวาระครบรอบแห่งการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้วันที่28พฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายน พุทธศักราช 2,555 ณโถงอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลสิริดาตนะโมตัสสะพระกุฏิโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกุฏิโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกุฏิโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุขโขพุทธานุปปาโธตีณนะโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานบำเพ็ญกุศลสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขาบูชาพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งทางหน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิค ก, การแพทย์คณะกายภาพบำบัดได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขาบูชาซึ่งปีนี้เป็นปีพุท ธ, ธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งศรัทธายาิโยมสาธุชน นะที่มาร่วมรับฟังในวันนี้นะท่านใดยังไม่มีที่นั่งนะด้านหน้ายัางว่างอยู่เยอะแยะนะข้างหลังไม่มีก็ข้างหน้ามนะีการที่ญาติโยมสาธุชนได้ตั้งจิตเป็นกุศลนะจัดสัปดาห์ส่งเสริมขึ้นในลักษณะนี้ในเช่นนี้โดยที่จิตเป็นกุศลนะเป็นเบื้องต้นมหากุศลจิตได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อมหากุศลจิตนั้นยังไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ยังไม่รู้เหตุตามความเป็นจริงว่า กว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนบ้างนะความยากเย็นแสนเข็ญที่ก่อนที่ได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นซึ่งถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจหลายๆท่านดูนิทัศการแล้วก็อ่านนิทัศการแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมปฏิบัติ วันสุดท้ายคืนเดียวเท่านั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าทําไมได้ง่ายขนาดนี้หรือบางท่านก็อ่านนิทยสการเฉพาะตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติแตัสรู้ปริญิาภานเอาเฉพาะวันประสูติทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเกิดมาแล้วเดินได้7จก้าอันนี้ก็คือสงสัยสงสัยแล้วหาคําตอบอยังไม่เจอประเด็นแรกประเด็นต่อมาทําไมมีทุกอย่างพร้อมจึงต้องทิ้ง บุรทิ้งภรรยาพระองค์ไม่รับผิดชอบหรืออันนี้ก็คือทําให้บุรุษชนคิดอีกประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาทําไมพระองค์บําเพ็ญทุกขกิรกิยาตั้ง6ปีน่ะกว่าจะพบทางเกิดอะไรขึ้นและก็ประเด็นต่อมาวันจะตัดสั้ทําไมพระองค์บําเพ็ญเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นได้ตัดสู้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตัดสู้และประเด็นต่อมาก็คือทําไมพระองค์รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้สรรพนามว่าสรรพันญู ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งค้างคาใจชาวพุทธนะซึ่งได้สดับตับฟังน้อยนะก็จะไม่ทราบสาเหตุทําไมสิ่งอัศจรรย์เหล่าเนี้จึงบังเกิดวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพานก็ตรงวันเดียวกันอีกมันเป็นไปได้อย่างไรนะเราก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะมันไม่น่าจะเป็นได้ในความคิดของเราแต่ในความเป็นจริงมันเป็นมาแล้วทําไมจึงเป็นได้เรามองเห็นผลแต่เหตุเราไม่สาวหา ก็เหมือนกับคนป่วยมาหาหมอนะก็รู้ว่าเจ็บป่วยเจ็บป่วยนั้นก็ตอนแรกก็อาจจะปวดหัวนะปวดหัวตามปกติปวดหัวตามปกติแล้วนะถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็บอกจะก็อาจจะบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกระปวดหัวได้คิดมากกระปวดหัวได้นะเลือดในสมองมันปิดปกติก็ปวดหัวได้แต่พื้นฐานก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยหาสาเหตุ ยังไม่ได้หาสาเหตุก็จะตอบง่ายๆไปก่อนแต่พอมาตอบสาวหาสาเหตุแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากสาเหตุใกล้ๆที่เรามองเห็นมันเป็นสาเหตุไกลามากในอดีตโดยเฉพาะวันนี้ญาติโยมไปดูนิร ศ, ศการแล้วก็จะเกิดคว า, ามรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าทําไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้และประสูติและทําไมเดินได้ซึ่งคําตอบนี้เราจะได้คําตอบก็ต่อเมื่อเราได้ฟังเหตุการณ์ที่พระองค์ทรง คิดจะบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งบำเพ็ญบารมีมาจบแล้วก็รัวออเหตุอันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นถ้ามองแค่ผลอย่างเดียวเราไม่มองเหตุเราจะหนึ่งสงสัยสองไม่เชื่อแล้วก็สามปฏิเสธไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กว่าจะได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนก็ต้องหนึ่งรู้คําศัพท์ของคำว่าพุทธะสองรู้จุดประสงค์ของคำว่าพุท ธ, ธะเมื่อเรารู้แล้ว และก็เวลานี้เวลาในการมาเป็นบารมีเพื่อการเป็นพุทธะหรือเป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องใช้เวลานานขนาดไหนถ้าญาติโยมสารุชนได้เกิดความเข้าอกเข้าใจในส่วนตรงนี้นะก็เรียกว่าการเห็นผลแล้วจะไม่ปฏิเสธนะก็คือยอมรับโดยดุษนญญภาพหรือยอมรับตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นจริงๆทั้นกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งแรกเลยเราต้องรู้จักคําว่าพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไร แปลว่าผู้รู้แจ้งอรยิยสัจทั้ง4ได้โดยพระงเองและสามารถสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามได้ด้วยอันนี้คือความหมายและพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีต จ, จนถึงปัจจุบันมีกี่พระ อ, องค์ตั้งแต่อดีต จ, จนถึงปัจจุบันเนี่ยตัสรู้มาแล้ว3ามล้านห้าแกว่าพระ อ, องค์นะฮะไดเอาหลักฐานมาจากตรงไหนบอกว่า3ามล้านห้าแกว่าพระ อ, องค์เราสวดในบทสวด วิปัสสิก็จะมี28พระองค์หรือในบทขันธปริก็จะมี7พระอง ค, บงคง์บางครั้งก็ได้ยินคำวา่าพระเจ้า5พระองค์บางครั้งก็ได้ยินคำวา่าพระเจ้า7พระองค์บางครั้งก็ได้ยินพระเจ้า24พระองค์บางครั้งก็ได้ยิน28พระองค์อันนี้คือปกติที่เราได้ยินแต่ที่บอกว่า3ล้าน5แสนกว่าพระองค์เนี่ยไปเอามาจากตรงไหนนะซึ่งตรงนี้ญาติโยมกอาจจะสงสัยนะญาติโยมอาจจะเคยสวดบทสมบุทธเทอัตวีสัญจัทวานสัญจัสหัสเก บสร์สวัสดิ์สำพูเทเนจะบอกไว้ชัดเจนเลยว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้ว3ามล้านห้าแสกว่าพระองค์สามล้านห้าแสกว่าพระองค์ทําไมเยอะขนาดนี้ก็มาจับแยกนะประเภทที่1ปัญญาที่กลาพระพุทธเจ้าประเภทธธที่2สัทธาธิกะ่าวพระพุทธเจ้าประเภทที่3วิริยาธิกล่าพระพุทธเจ้านะปัญญาที่กล่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ใช้ปัญญานำหน้าในการบําเพ็ญบารมีคือปัญญาอย่างแรงกล้า บารมีเนี่ยก็มีทั้งสินั่นแหละแต่ปัญญาเนี่จะนําหน้าตลอดเวลาก็เรียกว่าปัญญาบารมีนะรับพระพุทธเจ้าประเภทที่2ใช้ศรัทธานําหน้าในการมาเป็นบารมีทั้ง10บอย่ก็อีกประเภทหนึ่งประเภทที่3ใช้วิริยะคือความเพียร น, นําหน้าในการมาเป็นบารมีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสล้าน5้าแสนกว่าพระองค์ก็มาแบ่งเป็นสประเภทพอแบ่งเป็นสประเภทเราก็จะรู้ออปัญญาที่ก่าศรัทธาธิกะวิรยิยาธิกะ ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาทิกะคือใช้ปัญญานำหน้าในการมาเพ็ญบารมีเวลาบาเพ็ญบารมีจริงๆใช้ระยะเวลา20อสงไขย์20อสงไขยเต็มๆแต่20อสงไขยก็แบ่งเป็น3ช่วงแรกคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจว่าข้าพเจ้า ต, ตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าปรารถนาหรือตั้งใจอยู่ในใจไม่เปิด ไม่เอ่ยคำไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้เนี่ยอยู่ในใจอย่างเดียวเนี่ยเป็น9อสงไข่และหลังจากนั้นเป็งวาจาออกมาให้คนอื่นรับรู้รับทราบจากวันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าได้ปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะคนอื่นรับรู้รับทราบต่อจากนั้นก็อีกเจ็ดอสงไขนะก็คือ9ก้กับเจ็ดก็เป็น16 16อสงไข พอครบบอสงไขยได้รับพยากรพยากรในวันนี้ก็คือฟันธงฟันธงว่าจากนี้ไปอีกสี่อสงไขยแสนมหากรับพระโพธิสัตว์นามว่าน่ะพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือสุเมธนาบดจะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมอันนั้นคือปัญญาที่กล่าพระพุทธเจ้า ก็คือถ้านับเฉพาะเวลาที่ได้รับพยากรแล้วเนี่ยสอสงไขยแสนมหากรัปแต่ข้างหน้าอีก16อสงไขยละไม่ได้เอามาพูดถึงเมื่อไม่ได้เอามาพูดถึงเราก็เห็นว่าโอกว่าจะได้เป็นผู้ไเจ้าเนี่ยต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยนับจํานวนไม่ถ้วนคือปัญญานี่ก็สั่งสมสั่งสมมาทุกคนทุกชาติตั้งทำบา ร, รมีศิบบารมีเนี่ยครัจนถึงกุเบขาบา ร, รมีบา ร, รมีทั้ง10บเนี่ยทำมาหมดเลยตลอดเวลาอันยาวนานเพรา ะ, ะนั้นเหตุปใจใัจจัยแห่งความยิ่งใหญ่เนี่ยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติ คำว่าหลายพบหลายชาติไม่แค่ร้อยชาติพันชาติหรือ1มื่นชาตินะนับเป็นอสงไขยี่สิบอสงไขยหนึ่งอสงไขยเขียนเลขหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ต่อด้วยศูนย์หนึ่งร้อยสี่สิบศูนย์ศูนย์หนึ่งร้อยสี่ิศูนย์แล้วก็คูณไปด้วยยี่สิบหนาคูณไปด้วย2ี่สิบเลขศูนย์แต่ละเลขหมายถึงโลกก่อตัวขึ้นจนกระทั่งโลกแตกสลายไปนั่นคือจำนวน จำนวนเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นปีมนุษย์ก็เรียกยากอาจจะใช้คําว่าล้านพันปีแสงแอยาจจะใช้ปีในลักษณะอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาก็ใช้คําว่าอสงไขยหรือกับหรือมหากับอย่าใช้คําที่มนุษย์เนี่ยเข้าใจยากนั่นเองคือมันเป็นหน่วยของการนับจํานวนมาเป็นคณิตศาสตร์พิเศษที่สูงขึ้นไปซึ่งชาวบ้านไม่ได้ใช้คือระยะเวลามันยาวนานมาก เพราะฉะนั้นกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี้เอาเฉพาะปัญญาที่ก่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนับจากวันพยากรณแล้วจงได้จนได้ตัสรูเนี่ยสี่อสงไข่แสนมหากัรถ้าเป็นศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้าล่ะนับจากวันพยากรณแล้วจงถึงวันได้ตัสรูเนี่ยแอสงไข่แสนมหากรอันนี้คือศรัทธาธิกะถ้าเป็นวิริยาธีก่าพระพุทธเจ้าล่ะนับจากวันตัสรูแล้วขออภัยนับจากวันที่ได้รับพยากรแล้วจนถึงวันตัสรูเนี่ยสิอสงไข่ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราดึงเข้ามาใช้ในชีวิตของเราจะทําอะไรก็ตามใช้ปัญญานําหน้าสําเร็จเร็วที่สุดนะบางคนก็บอกใช้ความเพียรก็สําเร็จแต่ความเพียรบางทีบอกตือ้อทุกอย่างในสําเร็จลูกตื้อเนี่ยใช้เวลานานที่สุดนะลูกตือ้อรองลงมาก็ลูกศรัทธานะที่เร็วที่สุดคือปัญญาเพราะนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วต้องหาความ ร, รู้ต้องหาปัญญาตลอดเวลาใครมีความ ร, รู้มากมีความ ร, รู้ดีมีความ ร, รู้เยี่ยม คนนั้นก็ทําได้สำเร็จเร็วเพราะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หาปัญญาสร้างสมปัญญาเนี่ยเป็นช่วงเวลาเวลาระยะเวลาที่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพระเจ้าของเราโดยเฉพาะปัญญาที่กับพระเจ้าใช้ปัญญานําหน้าในการมาคุณบารมีต้องใช้เวลาถึง4ีอสงไข่อันนั้นคือเหตุผลทําไมพระองค์จึงรู้ทุกอย่างนะอันนี้ก็คือเหตุผลข้อแรกนะเมื่อเราทราบเหตุผลอย่างนี้แล้วต้องใช้เวลาระยะยาวนานอย่างนี้ แล้วในช่วงระยะเวลา20อาสงไขหรือเอาเฉพาะนะได้รับพยากรแล้ว4อสงไขเนี่ยพระองค์ทําอะไรพระองค์บําเพ็ญบารมีและบารมีแปลว่าอะไรควนะามหมายของบารมีอะไรคือบารมีมันเป็นยังไงล่ะนะเราก็ต้องทาําความเข้าใจกับบารมีก่อนนะเพราะฉะนั้นก่อนจะได้เป็นผู้ได้เจ้าเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ได้เจ้า1ต้องรู้เป้าหมายนะเป้าหมายคืออะไรโพธิญาณ จะเป็นโพธิจะไปถึงโพธิยานในขณะที่วางตัวหรือทําตัวบําเพ็ญบารมีในช่วงนั้นก็เรียกว่าโพธิสมภารหรือพุทธจริยาหรือโพธิยานอัครยานการมาเป็นเพื่อความเป็นพระเจ้าบาเพ็ญบารมีเพวะะันคําศัพท์คําว่าโพธิสมภารก็ดีหรือคําศัพท์ว่าโพธิสัตว์ก็ดีหรือมหาสัตว์ก็ดีหรือมหาบุรุษก็ดีคําศัพท์เหล่านี้ก็จะได้ยิน นะในการบําเพ็นบารมีั้นสิ่งแรกเลยนะผู้ที่จะเป็นพระเจ้าได้ต้องรู้จักบารมีโดยเฉพาะบารมีต้องมองออกถึง16มุมมองคือบารมีคําเดียวนี่แหละมองให้เห็น16มุมมองและอาจจะเคยได้ยินนะหมุมมอง12มุมมอง16มุมมองสมัยโบราณมีรายการกระจก6ด้านกระจก6กด้านก็คือเห็นวัตถุชิ้นเดียวยคุณต้องมองให้อย่างน้อย6กมุม มองให้เห็นหกมุมและคุณจะสื่อสารไม่พลาดและะเอียดกว่านั้นล่ะสิบสองมุมละเอียดกว่านั้นล่ะสิบสี่มุมละเอียดกว่านั้นล่ะสุดๆสิบหมุมถ้ามองได้ถึงสิบหกมุมเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งเพชรเนี่ยเรายังไม่ได้เจียระไนก็มองเห็นเป็นหินใสๆพอเจียธรรมดามันก็แสงธรรมดาแต่ถ้าทําให้มันได้เหลี่ยมมาก แสงมันจะออกระยิบระยับมองไปทำไมมันสุกสกาวสวยเหลือเกินคือนิดเดียวเนี่ยเขากระทำให้มันได้มุมได้มุมได้มุมได้มุมได้มุมได้ฉากรอบเพชรเลยเพชรก็จะออกประกายอย่างสวยสดงดงามบา ร, รมีก็เช่นเดียวกันคําคําเดียวนี่แหละคําว่าบา ร, รมีหรือเป็นผู้เจ้านี่แหละมองคําว่าบา ร, รมีเนี่ยสิมุ ม, มองได้วันไหนวันนั้นจะถึงบางอ้อ อ๋อเป็นอย่างนี้เองนะวันถ้ายัางมองไม่ครบเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็ยังสงสัยตรงนู้ทีตรงนี้ทีตรงนู้นทีตรงนี้ทีอันนี้คือความสงสัยเป็นเรื่องปกติเพราะมุมมองเรานี่ยังน้อยอยู่ทันวันนี้ก็จะฉายมุมมองเหมือนกับการาที่เจียระไนเพชรให้ได้มุมหักเหลี่ยมหักมุมมากๆโดยที่สุดจนถึง16มุมมองเนี่ยก็จะได้ครอบทุกอย่างมุมแรกก็คือบารมีนั่นคืออะไรตั้งคําถามขึ้นมาบารมีคืออะไรมุมที่สอง ชื่อว่าบารมีเพราะอัตถะความหมายว่าอย่างไรมุมมองที่สมบารมีมีกี่อย่างอะไรบ้างนะมุมมองที่สี่ลำดับของบารมีเนี่ยทำไมต้องเริ่มจากบารมีนี้บารมีนี้มุมมองที่สมุมมองที่ห้าอะไรเป็นลักษณะเด่นที่ทําให้รู้ว่านี่คือบารมีนี่คือหน้าที่ของบารมีนี่คืออาการปรากฏของบารมีนี่คือเหตุใกล้ของบารมีอันนี้คือมุมมองที่ห้ามุมมองที่6อะไรเป็นปัจจัยของบารมี มุมมองที่เจ็ดอะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมีบางทีมาทํางานเนี่ยจัดกิจกรรมกว่าจะมาจัดกิจกรรมที่ยอดเยยมเห็นสวยสดงดงามในโยมบางทีก็เถียงกันในห้องไอ้เรื่องธรรมะนี่แหละเถียงไปเถียงมา ก, ก็เกิดเสียอารมณ์ก็มีกว่าจะมาเห็นรูปล่างที่มันสวยสดงดงามเนี่ยบางทีบารมีมันก็เศร้าหมองไม่พอสมควรก็จะเห็นอ๋องานที่มันออกมาอย่างสมูทเนี่ยกว่าจะสมูทได้เนี่ยมันก็มีสิ่งทําให้เศร้าหมองเพราะนั้นต้องรู้ว่าอะไรคือ ความเศร้าหมองของบา ร, รมีและบา ร, รมีจะผ่องแผ้วเนี่ยบางทีบําเพ็ญบา ร, รมีมาแล้วมันลาบลืน่นทั้งหมดผองแผ้วทั้งหมดน่ะคือมุมมองที่8มุมมองที่9อะไรเป็นปฏิบัติของบา ร, รมีนาโบราณอาจจะเคยได้ยินมานไม่มีบารมีไม่เกิดเอา้า <c oughs> ถ้าจะบำเพ็ญบา ร, รมีต้องมีมานหรือไม่มีมานบําเพ็ญบา ร, รมีไม่ได้หรืออ่ามุมมองนี้ก็ต้องมองมุมมองข้อต่อมาอะไรเป็นข้อปฏิบัติของบา ร, รมีจะปฏิบัติยังไงให้มันถูกต้อง มุมมองที่11อะไรเป็นการจําแนกแยกแยะบารมีมุมมองที่12อะไรเป็นการสงเคราะห์บารมีคือบารมีมีสิเนี่ยจะสงเคราะห์ให้เหลือ6ได้ไหมหรือสงเคราะห์ให้เหลือสได้ไหมจะได้ง่ายๆมุมมองที่13อะไรเป็นอุบายให้บารมีสําเร็จคือจะทํางานอะไรก็ตามต้องหากลเม็ดหรืออุบายทําให้สําเร็จอย่างง่ายาอุบายให้สําเร็จมุมมองที่14บารมีเนี่ยให้สําเร็จโดยการไหน แล้วทำไปทุกวันทุกวันเมื่อไหร่มันจะสำเร็จต้องรู้ระยะเวลามุมมองที่15อะไรเป็นอานิสง์ของบารมีนะอานิสง์กับผลนี่มันไม่เหมือนกันนะอานิสงเนี่ยคือผล ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต่อต่อต่อต่อต่อเช่นปลูกต้นไม้เราก็หวังผลปลูกมะม่วงหวังผลคือลูกมะม่วงแต่อานิสง์ของการปลูกต้นมะม่วงล่ะได้ใบมะม่วงได้กิ่งมะม่วงได้ร่มเง า, าได้อากาศที่เย็นได้ที่อยู่ที่อาศัยของนูกได้สารพัดเลยนะั่นคืออานิสง์ เพรัมุมองที่15บเนี่ยอะไรเป็นอนิสงค์ของบารมีมุมมองที่16อะไรเป็นผลของบารมีคือผลตรงๆรงเลยนะผลตรงๆของบารมีมันคืออะไรถ้ามองครบ16มุมมองไม่สงสัยเลยว่าทําไมพร ะ, ระ เ, พเจ้าประสูุษแล้วเดินได้ทําไมพระเจ้าประสูุษแล้วตัดสามารถพูดได้นะทําทไมพระเจ้าจึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือมองให้ครบ16มุมมองกว่าจะได้เป็นพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าอกเข้าใจในประเด็นตรงนี้ เราก็จะถึงบางออไม่สงสัยอีกต่อไปแต่ถ้าเราไม่ถึงตรงนี้มองมุมเดียวหรือมองตามที่เราตามที่ความรู้เรามีเรามี4ี่ความรู้เก่าความรู้ของเราไปมองละหรือมองแบบนักธุรกิจก็มองอีกอย่างหนึ่งมองแบบบุมองของแพทย์ก็มองอีกอย่างหนึ่งมองแบบบุมองของพระก็มองอีกอย่างหนึ่งมองแบบบุมองของชาวบ้านก็มองอีกอย่างหนึ่งต่างคนต่างถนัดอะไรก็เอาความถนัดของตนเองมามองแต่วันนี้จะให้มองครบทั้ง16หมุมมอง ว่าบารมีคืออะไรนะบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นกําหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาที่ตัณหามาณนะทิฐิกิเลสสตัวเนี่ยไม่เข้าไปรบ ก, กวนนะไม่เข้าไปรบ ก, กวนคื อ, อยังไงการสร้างบารมีเนี่ยเราต้องรู้นะบารมีมันคืออะไรก็คือคุณธรรมบารมีในนี้คือคุณธรรมเอามันคืออะไรก่อนและวอัถะหรือความหมายอย่างละเอียดบารมีว่ายัางไงไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้น ชัดๆเลยเนี่บารมีคืออะไรบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นอันนี้คือสิ่งแรกแล้วก็เวลาจะเป็นบารมีเนี่ยมันคืออะไรต่อไปก็คือใช้การกําหนดนะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายอุบายเป็เหตุแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สร้างบารมีคือคนที่มีกรุณาคือความสงสารนะพื้นเพของคนที่จะสร้างบารมีเนี่ยต้องมีความสงสารสงสารใครสงสารผู้ที่ด้อยกว่าสงสารผู้ที่ต่ำกว่า พธะองค์สร้างบารมีก็สงสารสัตว์ในสารเสเอดพวภูมิที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ว่าเรายากดีมีจนหรืออะไรแล้วพระองค์มาสงสารไม่ใช่นะสงสารว่าพวกเราเนี่ยทำไมยังต้องเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายกันไปนะอันนี้ก็เราก็ได้เข้าออเข้าใจหรือคําว่าบุญกับบารมีมันแตกต่างกันไหมนะก็จะเข้าใจต่อใบ น, นี้แหละบุญกับบารมีเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกัน นะบางคนบอกเออทาบุญก็ทํานะบา ร, รมีก็สร้างอัะแล้วบุญกับบารมีมันุ่เหมือนกันหรืออันนี้คือประเด็นที่หลายๆคนก็ยังสงสัยบางทีเรามาเนี่ยมาถึงก็มาทําบุญออทำตรงวิธีทำในวิธีทํำ ท, ท, ท, า, ทาเสร็จแล้วปาฏิหาอะไรไม่ได้ปาฏิหาริแล้วทําบุญและส่งผลไหมส่งผลส่งผลยังไงล่ะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ แล้วถ้าเป็นบารมีล่ะบารมีคือตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวการให้ทานของ ข, องข้าพเจ้าเป็นการทําลายโลภะความโลภและการทําลายโลภะความโลภของข้าพเจ้านี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยเถินอันนั้นก็จะเป็นบารมีแต่ถ้าทาบุญเชยๆทําบุญทั่วๆไปเห็นก็ทําก็ทำไม่คิดไม่ทแต่ไม่ไม่ปัจฉานเลยไม่ตั้งเป้าหมายเลยทําไปแนั้นแหละได้บุญไม้มได้บุญแต่เป็นบารมีไหมไม่เป็นทําไมจึงไม่เป็น เพะไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยแก่พนนันะิพาณน่ะคือให้ทานเนี่ยต้องรัวทำลายความโลภรักษาศีลทําลายความโกรธเจริญภาวนาทำลายความหลงต้องขยับนะ่ะทีละขั้นขั้นหนึ่งขั้น2องขั้นสามทำดีแต่ยังไม่พอที่จะเป็นบารมีทําบุญเนี่ยมันเป็นบุญไม่เป็นนะ่ะทำความดีเป็นความดีไม่เป็นแต่มันพอที่จะเป็นบารมีหรือยังยั ง, ยงนะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งแรกเลยบารมีคืออะไรก็ให้ความหมายไปแล้วนะ่ะก็ประเด็นที่2นะ่ะมุมมองที่2อชื่อว่าบารมีเพราะอัดว่าอะไรอัดทะคือความหมาย นะก็คือพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ยอดยิ่งเพราะสูงกว่าสัตว์ด้วยการประกอบคุณวิเศษมีทานศีลเป็นต้นหรือความเป็นพระโพธิสัตว์นั่นแหละเป็นบารมีหรือการกระทํามีการบําเพ็ญทานเป็นต้นนั่นแหละเป็นบารมีนะอีกอย่างหนึ่งก็คือบารมีเนี่ยมีอัดว่าอย่างไรบารมีแปลว่าการกระทําแปลว่าบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีนะมาจากปรมะบวกอี ปรมะไปว่าผู้ประเสริฐค like ือพระโพธิสัตว์อีก็คือการกระทําการกระทําของผู้ประเสริฐคือพระโพธิสัตว์กระทาอะไรกระทําการให้ทานกระทําการรักษาศีลการเจริญเพาเมตเนขขมะเป็นต้นโดยที่มีจิตมีกรุณาเป็นพื้นฐานอันนี้คือการกระทําของผู้ประเสริฐหรือการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นคือบารมีพอบำเพ็ญบารมีแล้วคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น หนาบารมีประโยชน์เพื่อผู้อื่นคือทําอะไรให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนคขมะก็ดีก็ทําเพื่อผู้อื่นเพื่อช่วยคนอื่นพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นคือความหมายของคำว่าบารมีหรือบารมีเนี่ยแปลว่าการกระทําที่ทําให้ผู้ทําถึงฝั่งพันิพานใครทําอย่างนี้คนนั้นถึงฝั่งพันิพาลแน่นอนหรือบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีให้ทานก็ตักตวงความไม่เห็นแก่ตัวใส่เข้าไปรักษาศีลก็ตักตวงให้อภัยทานใส่เข้าไปเนคขมะก็ตักตวง จิตที่ออกห่างจากกามคุณา rom ใส่เข้าไปคือบําเพ็ญบารมีแต่ละอย่างคือตักตวงคุณงามความดีไว้ในขันธ์สันดานของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีนั้นนะมีความหมายเกินสิบความหมายบารมีคําเดียวแต่ถ้าบารมีในภาษาไทยโอคนที่มีบารมีก็แสดงว่าเป็นนักการเมืองใช่ไหมน่ะมีบริวารเนี่ยมีมีปืนใช่ไหมคือบารมีในภาษาไทยเนี่ยมันชักขยเยงขยงนะทาไมขยเงล่ะเพราะมีการใช้คําศัพท์ในทางที่ดีและไม่ดี นาะบางดีก็มีคําศัพท์โอ้ดีผู้อยู่เหนือบารมีอะไรต่างๆไม่มีใครอยู่เหนือบารมีทุกคนต้องสร้างบารมีแต่เราเอาคําศัพท์ไปใช้ผิดพอใช้ผิดคนก็จะยินคำว่าบารมีเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยแต่บารมีที่พระเจ้าตัดเนี่ยมีแต่ของดีทั้งนั้นพอได้ยินคำว่าบารมีปุ๊บการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครมาถึงก่อนช่วยคนนั้นก่อนเหมือนระบบรักษาความรักษาไข้นะ ไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาถึงก่อนเนี่ยให้คิวคนนั้นก่อนอันนี้คือลักษณะของบารมีถรักคิวแล้วไม่ใช่บารมีแล้วรัดคิววันไหนก็แลกใช้พิเิษก็คือสิทธิพิเศษแต่ถ้าทําตามลำดับใครถึงก่อนให้ก่อนใครถึงก่อนให้ก่อนนั่นะแหละคือลักษณะของการบําเพ็ญบารมีถ้าเราเข้าใจอ๋อการบําเพ็ญบารมีคือการทาเพืประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็ทําอย่างเสมอหน้ากันหมด คนที่รู้จักก็ทําคนที่ไม่รู้จักก็ทำคนที่เป็นศัตรูก็ทําคนที่ไม่ใช่ศัตรูก็ทําคือการช่วยเหลืออย่างเสมอหน้ากําหมดนั่นแหละคือความหมายของคํา ว, ว่าบารามีซึ่งเป็นหลักการของการรักษาพยาบาลของแพทย์จะต้องมีนะคือบางทีอ่าคนไข้คนไหนจ่ายเงินเยอะหรือมีเงินทองเยอะเอารักษาให้คนนั้นก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้คําศัพท์ว่าเสียจรรยาบาลของแพทย์แต่จริงอ่ะคือไ ม, ม่ได้บําเพ็ญบารามีแต่ถ้าทําถูกนะเออใครมาก่อนรักษากนใครมาก่อนรักษากรใครมาก่อนรักษากร นั่นแหละได้บำเพ็ญบารมีตลอดเวลาเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ในประเด็นนี้ความหมายของเขาบอกบารมีมีอัดว่าอะไรนะเราก็จะเข้าใจอ๋อบารมีคือความหมายอย่างนี้หรือบารมีย่อมกำจัดข้าสึกคือกิเลส ข, ของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ส่งไปถึงพระนิพพานแล้วก็บุรุษใดบำเพ็ญบารมีดังกล่าวมาแล้วบุรุษนั้นเรียกว่ามหาบุรุษเราเห็นบุคคลบางคนคนตัวใหญ่ๆเรียวกว่ามหาบุรุษใช่ไหมไม่ใช่ คนที่บมเป็นประโยชน์เพื่อผู้อืน่นมีทาน เ, นเป็นต้นศีลเป็นต้นนานั่นแหละคนเหล่านั้นเรียวกว่ามหาบุรุษอันนี้นคือความหมายของคําศัพท์นะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้คําว่าบารมีก็เอาแค่นี้ก่อนแต่ความละเอียดที่สุดาลก็มีมากนะแต่พระพุทธเจ้าใช้เวลาสีอาสงไขเราจะมาใช้เวลาชั่วโมงเดียวมันก็อะไรอยู่เพราะฉะนั้นมุมมองที่3บารมีมีกี่ยอย่างบารมีมี10อย่างดังที่ภาษาดิบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ทำอันทำให้เป็นพระผู้ไเจ้าได้มีเท่าไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภาษาริบุตรธรรมที่ทำให้เป็นผู้ได้เจ้าเนี่ยมี10ประการสิประการคืออะไรบ้างหนึ่งทานสศีลสามเมตตาสีปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทำสิบประการนี้เป็นธรรมที่กระทำให้เป็นผู้ได้เจ้าเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าพุทธการะกธรรมพุทธการะกะแต่ว่ากระทำให้เป็นผู้ได้เจ้าธรรมะที่กระทำให้ผู้กระทำนั่นแหละเป็นผู้ได้เจ้าเรียกว่าพุทธการกาพุทธการะกาธรรมหรือเรียกอีกอย่าหนึ่งว่าบารมีนะ แล้วก็มุมมองที่4ี่ลำดับของบา ร, รมีนะนะั้นแหะคืออย่างไรปกติตรงนี้ญาติโยมก็จะได้ยินบ่อยทานบารมีทานบา ร, รมีาบา ร, ร ม, รรมีแต่บ้านเรานิยมทานบา ร, รมีกันเยอะนะทําไมจะบอกว่านิยมทานบา ร, รมีกันเยอะก็อเอาพระเวสสันดรมาเทศกันทุกปีทุกปีอันนี้คือเน้นทานบา ร, รมีเน้นทานบา ร, รมีแต่บา ร, รมีมันมีสิประการลำดับเนี่ยทไมจึงสิ่งแรกคือลำดับของเทเจสนาสองลำดับของการเกิดขึ้น ลำดับของธรรมะที่พระเจ้าตรัสจะมี2ประเด็นลำดับของพระธรรมเทศนา1น3 4ง่าต้องตัดอย่างนี้แต่ลำดับของการเกิดขึ้นะอะไรมาเกิดก่อนอะไรมาเกิดหลังมี2 อ, อย่างก็เนระียกว ok ่าเทสนกรรมะลำดับของเทศนาอุปาปฏิ ก, grands, กรกคคมรม ะ, ะลำดับของการเกิดขึ้นคําว่าลำดับมี2ประเด็นในที่นี้ก็คือลำดับของเทศนาด้วยก็ต้องเป็นอย่างนี้และลําดับของการเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ลําดับของการเกิดขึ้นคืออะไรก็ทานบารมีนั่นแหละนทานบารมีเนี่ยเป็นที่1ของบารมี นะเพราะฉะนั้นในส่วนของทานบารมีทําไมทานบารมีเนี่ยจึงเป็นอันดับที่หนึ่งของบารมีเพราะทานบารมีมีอุปการะแก่ศีลแล้วก็ทําได้ง่ายฉะนั้นทานบารมีจึงกล่าวไว้ใ น, ในเบื้องต้นอันนี้คือทานบารมีเนี่ยทุกคนรู้จักเด็กก็ทําได้นะเด็กไม่รู้ก็ทําได้เอาเอาให้ให้ใหการสละ ก, การบริจาคอันุติทานนะเพราะฉะนั้นนะเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีอุปการะแก่ศีลด้วยแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยจึงลําดับแรกคือทาน ลำดับต่อมาท่านกล่าวศีลนะทานที่มีศีลกาหนดจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากเหตุนั้นท่านจึง ก, กล่าวศีลในลําดับของทานบอกให้ทานเนี่ยให้กับคนยากคนจนได้บุญไหมได้บุญให้ทานกับคนยากคนจนเพื่อไปนิพพานได้ไหมได้แล้วระหว่างให้ทานกับคนมีศีลเก่บคนที่ไม่มีศีลมาต่างกันตรงไหนก็ต่างกันคนที่ไม่มีศีลก็ได้ผลน้อยอนิสงส์น้อยคนที่มีศีลก็ได้ผลมากได้ออนิสงส์มากเพราะฉะนั้นต้องการให้ทานมีผลสูงสุด เวลาให้ถ้าเราเลือกให้ก็คนจนเราก็สงฆ์ข้อแล้วตรงนู้นเราก็ทําแล้วตรงนี้ก็ทำแล้วต่อไปจะประเพณบารมีแล้วทํายังไงให้ได้ผลสูงสุดเลือกทํากับผู้ที่มีศีลสูงสุดอันนี้คือเลือกเมื่อเลือกอย่างนี้แล้วทานที่เราให้ก็จะมีผลสูงสุดเพราะทานมีศีลเป็นฐานทานนั้นได้ผลสูงสุดเพราะในส่วนตรงนี้ในในเรื่องของลําดับต่อจากทานท่านจึงเอาศีลบารมีมากล่าวเพราะทานจะเข้าถึงความมีผลสูงสุดก็ต้องอาศัยศีลเป็นฐาน นั้นต่อจากทานก็กล่าวศีลบารมีต่อจากศีลบารมีก็เนคขมมะบารมีทําไมจึงกล่าวเนคขมมะบารมีต่อจากศีลบารมีรักษาศีนแล้วเนี่ยถ้าศีลห้าศีลแปดก็อยู่ที่บ้านศีนนั่นก็ยังไม่ใช่ศีนสูงสุดแต่ศีนสูงสุดจะต้องทํำไงต้องออกบวชออกบวชคือเนคขมมะ ออกบวชเน่ฆัมมะแล้วศีนั่งก็สามารถรักษาศีล2รักษาศีนสิรักษาศีลร้อย2ี 27, รักษาศีน31มรักษาจะถูบริสุทธิ์ที่ศีนในเป็นศีนละวิสุทธิเนี่ยถ้าออกบวชเนี่ยศีเนี่ยจะหมดจดถึงที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเน่ฆัมมะบารมีต่อจากศีนบารมีเพราะทําให้ศีนเนี่ยหมดจดถึงที่สุดเรียกว่าบริสุทธิ์ถึงที่สุดก็อาศัยเน่ฆัมมะต่อจากเน่ฆัมมะก็กล่าวปัญญาบารมีนะก็กล่าวปัญญาบารมี ทําไมจึงกล่าวปัญญาบารมีเพราะคนที่เข้าถึงเนคขมมะองค์ธรรมของเนคขมมะท่านอยู่ในบารมีสิองค์ธรรมสูงสุดของเนคขมมะก็คือฌานอภิญญนยะาคือฌานทั้ง4แต่เนคขมมะที่สูงสุดก็คือนิพพานเนคขมมะเนี่ยจะเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวช่วยเนคขมมะจึงจะเข้าถึงฌานจึงจะเข้าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นต่อจากศีลนะก็กล่าวเนคขมมะต่อจาก เ, าเนคขมมะก็กล่าวปัญญา ต่อจากปัญญาก็กล่าววิริยะบา ร, รมีก็แสดงวิริยะบา ร, รมีทําไมจึงเอาวิริยะบา ร, รมีเพราะคนจะมีปัญญาเนี่ยทำย่อๆแยะ ๆ, ๆ, ๆปัญญาก็ไม่เกิดภาษาชาวบ้านเขาบอกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออยากจะหาความรู้เนี่ยม่ใจะไปโรงเรียนวันเดียวแล้วได้ความรู้ทั้งหมดไปทุกวี่ทุกวันไปแล้วไปอีกตั้งแต่นูน้นอนุบาลเนี่ยยันปริญญาเอกบางที20ปี30ปีถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยปัญญาจะได้ไหมไม่ได้ เพราะนั้นปัญญาเนี่ยมาจะนั่งฟังปุ๊บได้หมดแล้วไม่ใช่นะฮะอันนี้คือบารมีเต็มแล้วนะถ้าบารมีเต็มเนี่ยนั่งฟังทีเดียวได้บรรลุหมดปัญญาหมดแต่ตอนนี้ปัญญาในช่วงบำเพ็ญเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยต้องเรียนเขาเรียกคาว่าพ่อเรียกคำว่าแม่หลังจากนั้นก็เข้าอนุบาลเข้าปฐมเข้ามัธยมนะแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็ไปดูงานกว่าปัญญาจะเกิดต้องอาศัยวิริยะคือความเพียรเพราะนั้นปัญญาจะถึงที่สุดต้องอาศัยวิริยะบารมีจึงกล่าววิริยะบารมีต เพียนก็จริงแต่ถ้าไปเจอต่อนะไปจะสะดุดไปเห็นคนที่ถูก อ, อกถูกใจก็เกิดโลภะเห็นคนที่ไปถูก อ, อกไปถูกใจก็เกิดโทสะนะบางทีไปเรียนหนังสือเอาไม่เอาไม่ไหวแล้วครูดุเหลือเกินครูดุเหลือเกินไปเรียนแล้วไม่ไหวแล้วขาดขันติแล้วจะได้ปัญญาไหมก็ไม่ได้ปัญญาเพียนก็เพียนแต่ต้องมีขันติต้องอดทนนะก็มีน้ําอดน้ําทนนะมีสามน้นะําน้ากิดน้นใช้น้ําอดน้ําทนแล้วก็จะได้ดื่มน้ําอมะตะคืออริยสัจสี น้ำอดน้ำทนผ่านมาน้ําจิตน้ําใจก็จะไหลามาะน้ำจิตน้ําใจไหลามาน้ำำาําอมตะคืออริยสัจสก็จะได้ดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้วิริยะเนี่ยถ้าไม่มีขันติมาช่วยก็เพี้ยนอยู่นะพอไปเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ทําไมล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขาดขันติเพรา ะ, ะนั้นต้องอาศัยขันติมาช่วยวิริยะจึงจะไปรอดต่อจา ก, กรุยกรยาก็เลยกล่าวขันติบา ร, รมีพอจบขันติแล้วก็ต้องมีสัจจานะก็ทนก็จริงแต่ทนบางคนเนี่ยทนก็ทนแบบทื่อ เน่ยมีสัจจะไหมไม่เคยจะมีสัจจะก็คือสัจจะนี่ถ้าคุณมีความจริงสัจจะมี4ประการเพราะฉะนั้นสัจจะในความจริงที่เราจะต้องกระทําความจริงที่จะต้องเปิดเผยหรือสัจวาจานี่ก็ต้องกล่าวออกไปนะขันติจึงจะถึงที่สุดและหลังจากนั้นจบจากสัจจะเนี่ยสัจจะจะมั่นคงถึงที่สุดต้องมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานไม่ใช่ขอพรไม่ใช so, ่อ้อนวอนไม่ใช่ปรารถนาอธิษฐานแปลว่าการทําจิตใจให้มั่นคงอธิษฐานนี่ ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญบา ร, รมีนี้ตลอดจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวจะมุ่งมั่นตรงจารคาที่ฐานอุปสมมาธิฐานอธิษฐานมีสีประการนี่เอาตรงเลยจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวจบจากอธิษฐานบารมีก็ต้องมีเมตตาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่จะตั้งมั่นแล้ขาดเมตตามีเมตามเมตาด้วยนะพระมีศีลไปปฏิบัติธรรมอยู่ใต้ต้นไม้รู ก, กเทวดาอยู่ข้างบนอยู่ไม่ได้ทําไมล่ะเดชคือศีลของพระเนี่ย เทพระไม่แผ่เมตตาเทวดาอยู่ข้างบนไม่ได้เทวดาก็จะมาหลอกหลอนใพนพระหนีออกจากป่ากลางพรนสานาเพราะก็หนีออกไปไปพศพระสัมมาพุทธเจ้าก็สัมมาสัมพุธเจ้าก็ตัดถามว่าทำไมหนีออกมากลางพันสาตั้ง500รลูกบอกว่าผีหลอกผีที่ไหนก็ในป่านั่นแหละไป็นใจผีเทวดาอ่า ท, ทําไมเทวดาจึงหลอกพระมีแต่ศีลไม่มีเมตตาเขาแล้วก็มีแต่พระเดชไม่มีพระคุณนาผู้ที่จะอยู่ข้างบนก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นถ้ามีพระคุณคือเมตตาธรรมเนี่ย ก็เรียกว่าไปรอดไพนั้นก็คือมีเมตตาต่อจากอธิษฐานต้องมีเมตตาจบจากเมตตาแล้วต้องมีอะไรสูงสุดก็คือต้องมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมในสัตว์และสังขารทั้งหลายถ้าไม่วางใจเป็นกลางโดยเฉพาะในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยเราก็เห็นพระเวสสันดรเนี่ยปล่อยให้แตะชูชกฉุดกระชากกัญหาชาลีทําไมคนที่เป็นพ่อเนี่ยไม่มีเมตตากรุณาสงสารต่อลูกเลยหรือ นาจริงๆแล้วคําถามนี่อ่านจะเกิดตอนนี้ชูชกชุดกระชากลากจูงกันหาชาลีเนี่ยตอนแรกพระบริษัทเผลอไปก็มีพระขันคือดาบวางอยู่ข้างก็จับดาบมันเราให้ลูกไปแล้วเนี่ยมันจะจูงบดีๆก็ไปจูงมันตีด้วยตอนแรกก็เผลอเผลอก็จับพระขันพอจับพระขันได้สติอ้าวเราจับเพื่ออะไรเนี่ยบอกอ๋อจริงๆเนี่ยเราให้ไปแล้วนะไม่ใช่ลูกของเรานะเราสละไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นสิทธิของเขา นะและอีกจุดหนึ่งการที่ให้ลูกไปก็เพื่อนะ่ะมันมีผลในอนาคตก็คือคนที่จะไปซื้อลูกได้ก็ต้องเป็นพ่อของเรานี่แหละที่มีเงินมีทองก็คือพอจิตใจเบรกและอุเบกขาคือวางใจได้ถ้าวันนั้นเนี่ยพระโพธิสัตร์คือพระเวสสันดรไม่วางใจเป็นกลางพระขันที่อยู่ข้างๆก็จะมาฟันคอชูชกตอนแรกจับแล้วนะพอจับเสร็จแล้วเนี่ยนึกได้เอา้าเรากําลังมาเป็นบารมีจิตของเราทําไมมันหวั่นไหว ชาติที่เป็นเวสันดรเนี่ยเรานึกถึงแค่ทานบารมีแต่วันนั้นเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีตอนที่จะชูชกจุดกระชากชจูงกันหาชาลีถ้าไม่มีอุเบกขาบารมีเกิดอะไรขึ้นชกชูชกในคอขาดตรง น, นั้นเลยนะเพราะอะไรมาทุบตีลูกตัวเองก่อนหน้าต่อตาเนี่ยคนเป็นพ่อรับไหวไม่รับไม่ไหวแต่เนื่องจากนึกถึงบารมีตัดใจได้โออุเบกขานี่มันยากเย็นแสนเข็นมากๆ นะเรียกว่าไปตีเพราะไปตีลูกเนี่ยก็เหมือนตีพ่อน่ยมันเจ็บที่ใจของพ่อนะเพราะนั้นชาตินั้ น, นอุเบกขาบารมีเนี่ยเต็มเปี่ยมนะในชาตินั้นพระอเอกขาบารมีและอุเบกขาบารมีจะทํายังไงให้อุเบกขาบารมีมีผลสูงสุดละ่ะอุเบกขาบารมีก็ต้องมีกรุณามีกรุณาเป็นฐานก็คือต้องความสงสารสงสารใครไม่ใจสงสารเฉพาะลูกคนเดียวนะสงสารสัตว์ใน31มบภพภูมิ ถ้าอุเบกขาบารมีไม่เกิดและบารมีทั้งสิจะเต็มได้ไหมก็เต็มไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นต้องตัดใจนะต้องสงสารสัตว์ใน31มบภพภูมิเลือกสงสารใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้อันนี้คืออุเบกขาบารมีเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นลําดับคร่าวๆนะดำดับละเอียดพิสดารก็มีอีกเยอะทําไมต้องเอาทานขึ้นก่อนเซ็นขึ้นก่อนอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์และมุมมองที่5อะไรเป็นลักษณะของบารมีลักษณะของบารมีทั้งหมดมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะ ลักษณะของบารมีคือต้องอนุเคราะห์ผู้อื่นอนุเคราะห์ผู้อื่นและหน้าที่ของบารมีคืออะไรกระทําอุปการะแก่ผู้อื่นนั่นคือหน้าที่ของบารมีหรือมีความไม่หวั่นไหวจิตใจไม่หวั่นไหวในขณะที่บำเพ็ญบารมีแล้วอะไรเป็นผลปรากฏที่ทําให้เห็นได้ชัดๆของบารมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นนั่นคือผลปรากฏของบารมีหรือความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผลปรากฏของบารมีแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ของบารมี มหากรุณาคือความสงสารอันยิ่งใหญ่ที่เาที่เรียกว่ามหากรุณาที่คุณนั่คือเหตุใกล้สุ ด, สด หรือความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งมหากรุณานั้นคือเป็นประธา ฐ, ฐานคือเป็นเหตุใกล้สุดๆนาะอันนี้ก็คือลักษณะรัะปฏิบัฐานประธา ฐ, ฐานอันนี้คือเอาภาพรวมถ้าแจง้งทีละข้อทีละข้ออะไรคือลักษณะของทานบรารมีอะไรคือหน้าที่ของฐานบรารมีอะไรคืออาการปรากฏของฐานบรารมีอะไรคือเหตุใกล้ของฐานบรารมีอั น, นต้องแจงอย่างละเอียดวิ ษ, ษดานทีละข้อทีละข้อแต่นี้เอาภาพรวม นะตามเหตุการณ์ถ้าไย่งนั้นก็ไม่จบนะไม่จบแล้วนี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเอายกตัวอย่างสักข้อก็ได้ยกตัวอย่างสักข้อหนึง่งก็คือในส่วนของทานบารมีเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันก็คือเจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณ์ของตนกําหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเนี่ยคือเป็นลักษณะของทานบารมี กายสุจริตว จ, จีสุจริตกําหนดด้วยความเป็นผู้ชราญในอุบายแห่งกรุณาโดยใจความก็คือเจตนาเว้นไม่ทําสิ่งที่ควรไม่ควรทําก็เป็นลักษณะของศีลบารมีอันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาให้ดูส่วนรายละเอียดนั้นก็ในการบําเพ็นบารมี30ทัศนะก็มีชี้แจงไปแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นว่าลักษณะนะลักษณะหน้าที่อาการปรากฏเหตุใกล้ของบารมีแจงไปแล้วมุมมองที่6อะไรเป็นปัใจจัยให้เกิดบารมี นะอภินิหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายอะไรคืออภินิหารญาติโยมก็นึกถึงอิทธิฤทธิ์อภินิหารเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีไม่ใช่อิทธิฤทธิ์นะอภินิหารแปลว่าจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นว่าข้าพระเจ้าจะบำเพ็ญบารมีเพื่อการตัดรู้เป็นพระเจ้าอภิแปลว่าจะเพาะนิก็ดึงออกไปหาระนำนนำจิตออกไปเพื่อสู่พานิพานจิตที่มุ่งตรงไปสู่พานิพานเรียกว่าอภินิหารในที่นี้ ม่ใชอันนี้อภินิหารที่เราเข้าใจในภาษาไทยคนละประเด็นกันเพราะฉะนั้นน่ะปัจจัยนะอภินิหารนั่นแหละคือเหตุปัจจัยของบารมีคือจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นในการที่มุ่งตรงไปสู่พันิพยานแล้วอภินิหารคือจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นในการมาเป็นบารมีเนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ต้องอาศัยองค์ประกอบ8ประการหนึ่งต้องเป็นมนุษย์ตอนที่ป่าถนาจะสําเร็จไม่สําเร็จต้องเป็นมนุษย์สองลิงคสัมปติต้องเป็นเพศชายนะ คือพระโพิษัทถ้าได้รับพยากรแล้วต้องเป็นเพศ ช, ชายถ้ายังไม่ได้รับพยากรเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้นะแล้วข้อสเหตุเห ต, เหตุแห่งการที่จะได้ในขณะนั้นก็คือเหตุเหตุสัมปทาความถึงพร้อมแห่งเหตุเหตุนั้นก็จะมีเหตุที่ไม่โลภเหตุที่ไม่โกรธเหตุที่ไม่หลงหรืออุปนิสัยที่สมควรจะได้บรรลุนะก็เรียกว่ า, าความเป็นมนุษย์ที่เป็นบุรุษนั่นแหละนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะแล้ว ก, ก็การเห็นภาษาสดา จะบรรลุได้ต้องเห็นพระผู้เดชเจ้าด้วยวันนั้นแล้วก็ได้บวชจะบวชเป็นดาบวเป็นฤาษีเป็นพระภิกษุก็ได้ทั้งนั้นแต่รับพยากรณ์แน่นอนแล้วคุณสมบัติในวันนั้นต้องได้คุณสมบัติในทีนี้หมายเอาชานปัญญาเป็นคุณสมบัติแล้วก็อธิการะนะอธิการะอธิการโรก็คือความเป็นผู้มีอุปการะยิ่งในที่นี้นะก็เรียกว่าฉันทะความพอใจในการที่ทำสิ่งนั้น เป็นอธิการะเป็นสิ่งที่มีอุปการะยิ่งอธิการก็คือบุญญาธิการนั่นเองนะฮะบุญญาธิการนั่นแหละนะที่จะคือเคยสั่งสมมาแล้วของเก่าแล้วก็ฉันท้าความพอใจมีคุณสมบัติแประการนี้นะนั่นแหละอภินิหารจึงจะสําเร็จนะอันนี้ก็คือเรื่องของอภินิหารก็คือเป็นปัจจัยของบารมีในมุมมองที่6ส่วนในมุมมองที่7นะะมุมมองที่6กผ่านไปแล้วอะไรเป็นปัจจัยของบารมีนะก็มุมมองต่อไปก็คือมองให้ครบนะ มองไม่ครบก็ยากที่จะประสบความสําเร็จนะก็คือเราไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรนั่นเองเมื่อไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรก็ไม่ประสบผลดังที่เราได้ต้องการผลเราที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นมุมมองที่ที่เจ็อะไรเป็นเครื่องเศ้าหมองของบา ร, รมีบา ร, รมีเนี่ยมันมีสิ่งที่ทําให้เศร้าหมองตันหาเป็นต้นเป็นความเศร้าหมองแห่งบา ร, รมีก็คือพื้นฐานตันหาคือความอยากเช่นเราทําทานทําทานเพื่ออะไรขอให้ได้มนุษย์สมบัติขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ข้าป่าถนามนุษสมบัติสวรรสมบัติแล้วก็ทําทานทําให้ทานบา ร, รมีเศร้าหมองอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนอกจากตันหามีอะไรอีกทิทธิแล้วก็มานะนะตัญหานี่ทำยังไงไม่ให้ตันหาเกิดข้าพเจ้าทําทานโดยการทําลายโลภะความโลภขอทานบา ร, รมีนี้จงเป็นใ บ, บใจแก่พานิพานอันนี้คือตันหานิธิมานะไม่แวดล้อมแล้วแล้วในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ที่ข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ต้องป่าถนาอะไรมาก ขออยาให้ข้าพเจ้าได้ยินคําว่าไม่มีคือมีทุกชาติมีทุกอย่างพร้อมแค่นี้พอไม่ต้องปรารถนาอะไรมากสังสารวัฏก็คือปรารถนาเพื่อพันิพานก่อนหลังจากเพื่อพันิพาลตั้งเป้าหมายตรงแล้วในระหว่างในการบำเพ็บารมีเนี่ยมันก็ต้องทํามาหากินตามปกติเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีก็คือต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องให้ทานอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเกิดในชาติหน้าก็มีเกิดในชาติหน้าก็มีเกิดในชาติหน้าก็มีมีที่จะใช้มีที่จะให้ทานมีที่จะใช้มีที่จะให้ทานมีที่จะใช้มีที่จะให้ทานดตลลอเวา นะแต่เป้าหมายคือทําลายโลภะคือความโลภอันนี้คือการที่นะทําอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้บา ร, รมีเศร้าหมองคือตัณหาเป็นต้นนะแล้วต้องตัณหาก็คือนะทิฏฐิมานะก็มีมาอีกเพราะฉะนั้นนะยังมีอย่างอื่นอีกนะที่ทําให้บา ร, รมีเศร้าหมองอันนี้คือยกมาให้ดูก็คือตัณหาเป็นต้นตัณหาทิฏฐิมานะกิเลสเหล่านี้นทําให้บา ร, รมีเศร้าหมอง และบารมีของเราเนี่ยจะผ่องแผ้วสะอาดหมดจดเนี่ยจะทำยังไงดีการไม่เข้าไปอาฆาต ด, ด้วยตัณหาเป็นต้นและการปราศจากความกำหนดตามที่ได้กล่าวไว้แล้วเป็นความผ่องแผ้วของบารมีเหล่านั้นนะบารมีมีทานเป็นต้นปราจากการกำหนดทายธรรมและปฏิภาวเป็นต้นอะไรชี้ซ้าให้ไ ม, ม่เจ้าหมองหรือผ่องแผ้ว ก็คือตันหามานาทิฏฐิโกธานาอุปนามะอุปนาหะภูโกรดมัคขะลบลูปราสารือตัวอิสาอิจฉามาชัชยรยตรณีมายาสาไทยธรรมภะสารัมพามาาะมาธาปมาธะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเข้าไปกระทบบารมีก็เศร้าหมองถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าไปกระทบเรียกว่าอุปกิเลสิบชนิดเนี่ยถ้าไม่เข้าไปกระทบบารมีก็พองแผ้วถ้าส4 ตัวกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยสิข้อนี้ถ้าเข้าไปกระทบจิตใจบารมีก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้ากระทบก็ผ่องแผ้วเศร้าหมองก็ผ่องแผ้วขึ้นอยู่กับนะ่ะสิ่งที่ทําให้เศร้าหมอง14ตัวก็คือตัณหามานณทิจโกธอุปนามะกาปราตาอิชามัจาริยะเป็นต้นเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็จะเข้าใจอ่อเวลาให้ทานเนี่ยเวลาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแวดล้อมนะ่ปะปาราเลยขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน นะอันนี้คือในส่วนของบารมีเราก็จะรู้มันเศ้าหมองเพราะสิ่งนี้มันผองแผ่เพราะสิ่งนี้แล้วมุมมองข้อที่เ้าอะไรเป็นปฏิปักษ์ของบารมีปฏิปักษ์ของบารมีก็คืออากุศลธรรมทั้งหมดเป็นปฏิปักษ์ของบารมีโดยไม่ต่างกันโลภะความโลภก็ดีโทสะความโกรธก็ดีโมหะความหลงก็ดีนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์แต่ไม่ใช่มารไม่มีบารมีไม่เกิดไม่ใช่นะอันนี้คือเรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารก็ได้ กิเลสมารมานันคือกิเลสโลภะโทสะโมหะนั่นแหละนะอันนั้นคือเป็นปฏิบัติของบารมีอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ถ้าจะแยกนะอะไรเป็นปฏิบัติของทานก็มัจจุราชความตรนีนั่นแหละเป็นปฏิบัติของทานนะก็คือเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทานหรืออะไรเป็นปฏิบัติของศีลก็โทสะนั่นแหละเป็นปฏิบัติของศีลนะอ่าในข้อแต่ละข้อแต่ละข้อก็หาสิ่งที่เป็นปฏิบัติตามลําดับอันนี้นก็คือข้อปฏิบัติแล้วก็มุมมองที่10อะไรเป็นข้อปฏิบัติของบารมี การทําความอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนมากด้วยการสระเครื่องอุปกรณ์ฟา ร, ร์มสุกแล้วก็สระร่างกายชีวิตด้วยการกําจัดภัยและการชี้แจงทําเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติของทานบารมีจริงๆทานบารมีเนี่ยไม่ใช่ให้วัตถุอย่างเดียวนะวัตถุทานก็มีอภัยทานก็มีธรรมทานก็มีคือในเรื่องของทานบารมีอย่างเดียวเนี่ยถ้าวัตถุทานก็มีวัตถุทานภายนอกนะวัตถุทานที่ควรให้เป็นอมิสทานแล้วก็การให้อภัยผู้อื่นก็เป็นอภัยทานการให้ปัญญาผู้อื่นก็เป็นธรรมทาน หรือการให้วัตถุทานภาย น, นอกทั้งหมดตามสํานวนพระสูตรมี10บอย่างการให้วัตถุภาย น, น อ, อกตามสํานวนวินัยปิฎกมี4อย่างคือปัจจัย 4. การให้วัตถุภาย น, นอกทั้งหมดตามาสํานวนอภิธรรมมี6อย่างคือถวายรูปารลมให้สัทธารลมให้คานารลมให้ลาาัษารลมให้บูตารมให้ธรรมารลมพรันคำว่าทานวัตถุเนธตามพระสูตรมีสิบธตามวินัยปิฎกมี4ี่ธตามอภิธรรมปิฎกมี6อันนี้แค่ทานวัตถุอย่างเดียว แล้วก็สละวัตถุภายนอกออกไปเป็นทานบารมีสละอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นบริจาคโลหิตเพื่อพันิพานบริจาคดวงตาเพื่อพันิพาณบริจาคอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อพันิพานก็เป็นทานอุปปาบารมีตอนสุดท้ายก็บริจาคชีวิตเพื่อทานก็เป็นทานปรมาถบารมีเพราะฉะนั้นคําว่าทานเนี่ยเราก็เห็นอ๋อบริจาควัตถุภายนอกทั้งหมดไม่ว่าวัตถุใดๆก็ตามเป็นทานบารมีขั้นพื้นฐาน แต่ถ้าวันไหนก็ตามเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราอย่างเช่นบริจาคโลหิตหลายคนก็บริจาค โ, โลหิตอยากอยากแค่บริจาคบางคนก็อยากได้เข็มนะครบ50ครั้ง60ครั้งก็จะได้เข็มที่ระลึก <c oughs> ก็อยากได้แค่ตรงนี้แหละแต่บางคนก็ไม่รู้จริงๆเนะี่ยมันเป็นทานอุป ป, รปารมีถ้าไม่เข้าใจละ่ะมันก็ส่งผลให้ได้มนุษสมบัติสวรรค์สมบัติแต่ไม่ส่งผลไปถึงนิพพานสมบัติ พอเข้าใจอ๋อเราบริจาคโลหิตไปเนี่ยมันเป็นทานอุปปาปาละมีบริจาคอวัยวะเช่นดวงตาเอาดวงตาเขาก็ไม่ได้เอาตอนมีชีวิตหรอกเอาตอนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่บางคนก็เข้าใจว่าถ้าบริจาคดวงตาไปแล้วเนี่ยชาติหน้าตาจะโบน่ะจริงๆเนี่ยชาติหน้าจะมีตาทิพย์กับไม่รู้แต่ถ้าผลสูงสุดหลักคนที่บริจาคดวงตาเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเทินแค่อย่างนี้เนี่ยดวงตาเห็นธรรมคือโสดาบันติมากเกิดแน่นอน แต่บางทีเราทําไม่เป็นขาดปัญญาเพราะฉะนั้นบอกขนาดตายไปแล้วนี่ยังหวงดวงตาอีกจริงจริงเนี่ยไม่ต้องหวงหรอกนะบริจาคไว้เธอถ้ามีโอกาสถ้าดวงตานั้นไม่ป่วยเป็นโรคเนี่ยบริจาคไว้เธอขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนดวงตาทิพย์ก็ได้นาะตาทิพย์ตาอะไรต่างๆตาเนื้ออันบริสุทธิ์ก็ได้ในส่วนตรงนี้วัตถุภายนอกเราก็จะเข้าใจอ๋อข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบาเพ็ญบารมีเนี่ยมันมีกี่อย่างอะไรบ้างเราก็จะได้รู้ได้เกิดความเข้าอกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมมอง อีกมุมมองหนึ่งที่เราจะเกิดความเข้าอกเข้าใจในการบําเพ็ญบารมีอย่างถูกต้องส่วนมุมมองอื่นๆนะที่เราจะเข้าใจเจาะจากนี้ไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการบําเพ็ญบารมีเนี่ยเราจะมองมุมมองอะไรอีกได้บ้างก็คือมุมมองที่11มุมมองที่เปการจําแนกบารมีบารมีจําแนกเป็น3ขั้น1บารมี2องอบารมี3ามบรมัทธบารมีนะบารมีจําแนกเป็น3ระดับเราเคยได้ยินบารมี10ทัศ10ทัศแล้วมันเป็น30ทัศคือยังไงล่ะ ก็คือบริจาควัตถุภายนอกธรรมดาเพื่อพันิพารก็เป็นทานบารมีสละอวัยวะออกไปนะเพื่อพันิพารก็เป็นทานอุปารมีสละชีวิตออกไปเป็นทานก็เป็นทานปรามาถาบารมีอันนี้คือ3ขั้นศีลก็เช่นเดียวกันรักษาศีลอย่งเป็นเหตุปัจจัยแก่พันิพารก็เป็นศีลบารมียอมรักษาศีลแล้วก็ยอมสละอวัยวะบางอย่างเช่นยอมตัดมือตัดแขนเพื่อที่จะรักษาศีลก็เป็นศีลอุปปารมียอมสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาศีล นะ่าศีลขาดไม่เป็นอาขอไม่ใช่ชีวิตนะชีวิตตายไม่เป็นไรขออย่าให้ศีลขาดอันนี้ก็คือเป็นศีลปรมาถบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบริจาคทรัพย์ภายนอกออกไปเพื่อรักษาศีลธรรมดาก็เป็นศีลนศีลนะบารมีแต่วันไหนจําเป็นต้องสละอวัยวะบางอย่างเพื่อบําเพ็ญศีลบารมีศีลนั้นก็เป็นศีลอุปบารมีอันนี้ก็คือในเรื่องของการจําแนกบารมีเนี่ยสามระดับระดับหนึ่งระดับสองแล้วก็ระดับสามด้วยกัน อันนั้นก็อะไรเป็นการสงเคราะห์บารมีบารมีนะ่ะมีสิแต่จะสงเคราะห์ในก็สงเคราะห์ให้เหลือได้6บารมีมี10นะสงเคราะห์ให้เหลือ6สงเคราะห์ยังไงล่ะทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาเหมือนบารมี3อย่างโดยการจําแนกโดยความเป็นทานบารมีเป็นต้นนะก็เรียกว่าเอา10เนี่ยมาย่อให้เหลือ3นะเอาขออภยัยเอา10เนี่ยมาย่อให้เหลือ6หรือในบุญกิยาวัตถุ10เนี่ยมาย่อบุญกิยาวัตถุ10ให้เหลือ3 ในที่นี้บารมีสิบย่อบารมีสิบให้เหลือหกนะย่อบารมีสิบให้เหลือหกย่อบุญกิจยาวัตถุสิบให้เหลือสามอันนั้นคือการสงเคราะห์คือการมานับคำว่าสงเคราะห์ในที่นี้เนี่ยไม่จะไปสงเคราะห์ด้วยวัตถุนะคำว่าสงเคราะห์คือนับรวมกัน เอามานับรวมเอามาย่อลงเอามารวมลงอเรียกว่าสงเคราะห์จับนี้ไปใส่นี้อันนี้เข้ากลุ่มนี้อันนี้เข้ากลุ่มนี้อ่าเรียกว่าสงเคราะห์ในที่นี้เราก็สงเคราะห์บา ร, รมีทั้ง10ให้เหลือ6ได้อันนี้ก็คือวิธีการที่จะสงเคราะห์เมื่อสงเคราะห์แล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะรตอนต่อมาก็คืออุบายที่ทําให้บา ร, รมีสําเร็จก็คือเป็นมุมมองที่13 นะมุมมองที่สิบาเนี่ยอะไรคืออุบายการสะสมบุญญาทิ่สมผานเมื่อทังสิน้นอุทิศสมมาสัมโบิยาณโดยไม่ทําให้บกพร่องกระทําความเคารพในส ม, มาสัมโบิยานนั้นโดยความเอื่อเคื่อและความนับถือมากและการทําความเพียรอย่างติดต่อ ด, ด้วยความพยายามเป็นลระดับไปและความพยายามตลอดกาลนานเป็นต้นในระหว่างด้วยการให้ถึงที่สุดและก็ปริมาณการของอุบายให้สําเร็จ น, นั้นจัดนะอธิบายขยายความต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยอุบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มี อุบายในการให้ทานนะก็ต้องผูกใจในการให้ทานไม่สะสมในทานเอ่อก็คือเราจะทํำยังไงก็คือคนจะจะให้ทานเนี่ยนะต้องผูกใจในเรื่องของทานต้องเห็นประโยชน์เรื่องของทานนะคือคนจะให้ทานได้เนี่ยให้แล้วได้อะไรนะคือคําตอบนะโอ้ให้แล้วคุณจะได้อย่างนี้คุณให้หนึ่งคุณจะได้ร้อยคุณให้ร้อยคุณจะได้ล้านเออถ้าอย่างนี้มันก็น่าให้ หรือให้เพื่ออะไรให้เพื่อทําลายกิเลสคุณให้ไปสิ่งที่จะหมดกับคุณคือโลภะจะหมดไปกิเลสเรานี้ถูกทําลายไปอ๋อพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพอทราบอุบายอย่างนี้แล้วเอวงั้นทําก็ทําแต่ยังไม่ทราบเหตุไม่ทราบผลให้ทําก็ไม่อยากทําเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้รู้เหตุรู้ผลแล้วก็ทํายังไงให้บา ร, รมีเต็มเร็วที่สุดทุกครั้งที่ทําบุญให้ทานอย่าลืมปรารถนาปราถนาไม่ใช่โลภะไม่ใช่ตัณหา แต่เป็นฉันทะว่าขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยเทินอันนี้คือตั้งจิตพระธรรมอย่างนี้เนี่ยอุบายทานบารมีก็จะสําเร็จเร็วอันนี้คือในส่วนของทานบารมีนะฮะในส่วนของทานบารมีก็เป็นมุมมองที่14แล้วก็อะไรเป็นอนิสงค์ของบารมีอนิสงค์ของบารมีนั้นก็ น, นรชนทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยวิวัฒน์ทั้งปวง ท, งท่องเที่ยวไปตลอดกาลการยาวนานได้นับได้ร้อยโกธเป็นผู้เที่ยงต่อโพธิญาญย่อมไม่เกิดในอเวจี v G. ไม่เกิดในโรกันตานรกไม่เกิดเป็นนิชามตันฮิกเปตคูวิปาสิกเปตการละกันทีกเปสัตสัตเล็เล็กน้อยหนาทุกติก็ไม่มีหนากษัตริย์เหล่านั้นเมื่อเกิดในมนุษย์ไม่เกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกและใบไม่เป็นอุปโตพยัญชนะกไม่เป็นบรรดอไม่ถึงความเป็นสตรีนรชนทั้งหลายไม่หนายังไม่สําเร็จก็จะพ้นจากนรกหนามีโคจรบริสุทธิ์ที่ทั้งปวงเที่ยงต่อโพธิญาณเชื่อกรมและผลนักกรรมไม่เสพไิ่ชาดิธิแม้อยู่ในสวรรค์ก็ไม่เถ้าถึงความเป็นผู้มีความไม่รู้สึกย่อมไม่มี นะย่อมไม่มีเหตุในเทวโลกชั้นสุดทาวาดอันนี้คืออ น, นิสงส์อ น, นิสงส์เยอะหน่อยโยมอ น, นิสงส์เรียกน่ะพัน า, นาไม่จบไม่สิ้นเลยเนีย่คืออ น, นิสงส์คือถ้าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยสัตว์ตัวเล็กๆ เ, เล็กเกินไปเล็กกว่านกกระจาบเนะี่ยยกก็ไม่เกิดหรือนรกที่ไม่ไม่ต้องไปตกเลยก็คืออเวจีโลกันตนรกละรกเหล่านั้นไม่ต้องไปเกิดนะ่ะนั่นคืออ น, นิสงส์ก็พู้ที่บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อโพธิญาณ นะอันนี้ก็คือในส่วนของอนิสงส์อนิสงส์เนีมีมากแล้วอนิสงส์มีมากเราก็รู้แล้วผลละ่ะอะไรเป็นผลของบารมีก็ความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละคือความเป็นผลของบารมีนะฮะความเป็นผลของบารมีเป็นยังไงพุทธเจ้าเอาขยายย่อๆก็คือพระสิริกายของพระองค์งดงามไปทั่วนะดั้งขึ้นนะ ตั้งขึ้นโดยคุณอันหาประมาณไม่ได้น่าไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่สมบัติของรู ป, ปรกายอันรุ่นเรืองอรุ่งเ ร, องอ ร, เรืองด้วยหมู่คณไม่น้อยก็คือหนึ่งมหาปุริสลักษณะ3 2ประการเนี่ยดูยครบหมดเลยอนุพยัญชนะ80สิก็มีครบแล้วก็รัศมีรอบพระวรากายของพระองค์หนึ่งวา อธิษฐานธรรมก็ดีทศพลายานก็ดีเวสารัชยานทั้งสี่ก็ดีอาสาธรณายานหกก็ดีพุทธธรรม18ดหมวดก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นผลโดยตรงจากบา ร, รมีทั้งสิบทัศนเพราะฉะนั้นผลตรงๆที่เราเห็นต่อหน้าต่อตานั่นแหละคือผลส่วนข้อปลีกย่อยที่เรามองไม่เห็นอนุบังอันนี้บ้า ง, อ, นนางอันนั้นคืออานิสง์เพรา ะ, ะนั้นอานิสงก็จะมาเรื่อยๆ อ, อ, อันนู้นที่อันนี้ที น, นี้ทีเนี่ยบางที ใส่ข้าวอย่างเดียวเนี่ยบินธบาตใส่ข้าวอย่างเดียวเกิดไปจะไม่มีน้ําดื่มไม่ใช่นะใส่ข้าวอย่างเดียวเวลาส่งผลมันได้สมบัติทั้งหมดไม่ใช่ได้ข้าวอย่างเดียวนะแต่ตรงๆนะผลตร ง, งคือได้ข้าวแต่อา น, นิสงส์งนะ่ะน้ำก็ได้ที่อยู่ที่อาศัยก็ได้เสื้อผ้าก็ได้จากอา น, นิสงส์งแค่ใส่บาตรเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็เห็นว่าจากการที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยผลตรงๆก็คือความเป็นพระเจ้าแต่อานิสงส์ก็มีนับจํานวนไม่ท่วนเพราะฉะนั้นวันนี้บารมี30ทัศ บารมีนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนกับก็เรียกว่ามากมายก่ายกองนับจำนวนไม่ท่วนก็เอามาก่าวเพียงเล็กๆในน้อยสิบห้าสิบหกมุมมองพอให้ญาติโยมได้เห็นว่าอะไรคือบารมีและจะบำเพ็ญยังไงแล้วถ้าเราศึกษาตรง น, นี้เข้าใจชัดก็เห็นพระพุทธเจ้าประสูตรมาแล้วเดินได้ มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้พูดได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ตรัสรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้เพราะบารมีทั้ง10สั่งสมมาตั้ง20อสงไขยนั่นคือเหตุที่จะได้เป็นวันที่ตรัสรู้คือวันนี้นะวันเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยนั่นคือความยิ่งใหญ่ด้วยเหตุที่สร้างสมมานานผลอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เป็นผู้ได้เจ้าเราก็ศึกษาจากการบำเพ็ญบารมีทั้ง16มุมมอง พันการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชนี้